ความรู้ในพระพุทธศาสนามีอยู่สามชนิดสามระดับด้วยกันความรู้ในพระพุทธศาสนานี้เราเรียกว่าปัญญาปัญญามีสามระดับระดับที่หนึ่งเรียกว่าสุตามะยปัญญาความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษา เช่นตอนนี้ญาติโยมกำลังฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่ากําลังสร้างสุตตมายปัญญานอกจากฟังแล้วสมัยนี้ก็มีการอ่านได้ด้วยอ่านหนังสือธรรมะก็ถือว่าเป็นสุตตมายปัญญาเป็นความรู้ที่ได้ละได้จากการได้ดูหรือได้ฟัง อันนี้เป็นความรู้ระดับที่หนึ่งความรู้ระดับที่สองเรียกว่าจินตามายะปัญญาความรู้ที่เกิดจากการพิจารณาค่้ควรความรู้ที่ได้มาจากการได้ยินได้ฟังพอได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็ต้องเอาไปทำการบ้านหรือเอาไปปฏิบัติ เรียกว่าเอาไปพิจารณาทบทวนเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมนแล้วถึงจะไปสู่ความรู้ระดับที่สามได้ที่เรียกว่าภาวนามยะปัญญาภาวนามยะปัญญานี้จะเกิดก็ต้องไปปฏิบัติสมถภาวนาทำจิตใจให้สงบให้เป็นอุเบกขา ถ้าจิตใจสงบเป็นอุเบกขาแล้วมีจินตามายปัญญาคือความรู้ที่ไม่หลงไม่ลืมก็สามารถที่จะเอาไปทำประโยชน์ได้ประโยชน์ที่เราต้องการก็คือการปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ใจไปยึดไปติดไปหลงไปทุกข์กับมันนั่นเองอยากทำได้ก็ต้อง ได้ปัญญาระดับที่สามปัญญาระดับที่หนึ่งนี่ยังไม่รู้ว่าทําไมต้องไปปล่อยวางสิ่งต่างๆเมื่อได้เรียนรู้แล้วก็จะได้รู้ว่าการไม่ปล่อยวางจะทําให้ใจทุกข์ถ้าปล่อยวางแล้วใจจะไม่ทุกข์เมื่อรู้แล้วขั้นที่สองก็ต้องเอาไป พิจารณาสิ่งที่เราต้องปล่อยวางว่าทำไมเราต้องปล่อยวางเมื่อพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็รู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากการที่เราไปยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราไม่ต้องการจะทุกข์เราต้องปล่อยวางการที่เราจะปล่อยวางได้เราต้องมีอุเบกขา เราต้องไปบปําเพ็ญสมถภาวนาคือไปฝึกสมาธินั่นเองไปฝึกกรรมฐานไปเจริญสติเพื่อให้จิตมีการยับยั้งความคิดต่างๆพอยับยั้งความคิดต่างๆทำจิตให้สงบได้จิตก็จะเป็นอุเบกขาปล่อยวางได้ ตูเบขานี่แหละคือตัวปล่อยวางของจิตปัญญาเป็นตัวบอกว่าทําไมต้องปล่อยวางนี่คือธรรมะหรือความรู้ในทางพระพุทธศาสนามีสามระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งเราไม่รู้ว่าเราทุกข์กับอะไรทําไมเราถึงต้องทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ทุกข์กับคนนั้นคนนี้ พอเรามาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะรู้ว่าที่เราทุกข์เพราะเราไปยึดไปติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำไมถึงต้องทุกข์ก็เพราะว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราไปยึดไปติดมันไม่เที่ยงนั่นเองมันไม่ถาวรมันไม่เหมือนเดิมมันมีการเจริญมีการเสื่อมมีการเกิดมีการเดบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย พอมันเปลี่ยนไปจากสิ่งจากการเป็นที่เราอยากให้มันเป็นพอมันเปลี่ยนไปมันก็เลยทำให้เราทุกข์ขึ้นมาเนี่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงเราไปยึดไปติดให้เขาไม่เปลี่ยนไม่ได้ถ้าเราปล่อยให้เขาเปลี่ยนไป เราก็จะไม่ทุกข์กับเขาที่เราทุกข์กับเขาเพราะเราไม่ยอมปล่อยให้เขาเปลี่ยนอยากให้เขาเป็นตามที่เราต้องการเช่นร่างกายของพวกเราเเราไม่อยากให้เขาแก่ไม่อยากให้เขาเจ็บไม่อยากให้เขาตายแต่เขาก็ต้องแก่เขาก็ต้องเจ็บเขาก็ต้องตายไป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 ร่วงพ้นความตายเป็น ไ, ได้อันนี้ก็เป็นความรู้ขั้นที่หนึ่งคือสุตตะมยปัญญาถ้าเราศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือฟังเทศฟังธรรมจากพาะรูปไหนก็ตามไม่ช้าก็เร็วก็ต้องได้ยินบทนี้ปรากฏขึ้นมาคือ การเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายเป็นธรรมดามีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดามีการพัดพรากจากการไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นความรู้ข้อที่หนึ่งเรียกว่าสุตตะมยปัญญาพอเรารู้แล้วว่า ทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งร่างกายนี้ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายไปเป็นธรรมดามีการพัดพากจากการไปเป็นธรรมดาเราก็ต้องเอาความรู้นี้มาพิจารณาอยู่เนืองๆมาคิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะถ้าเราไม่เอาไปคิดต่อเดี๋ยวเราจะลืมพอออกจากที่นี้ไปมีเรื่องอื่นให้คิด เรื่องเงินเรื่องแฟ น, เ ร, น, นเรื่องนู้นเรื่องนี้พอไปคิดเรื่องต่างๆเขา้าความรู้ที่ได้จากการฟังเทศฟังธรรมหรือจากการอ่านหนังสือธรรมะก็จะหายไปลืมไปพอลืมก็ไปยึดไปติดของที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยากให้แฟนไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย อยากให้ร่างกายของเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากให้ร่างกายของคนนั่นคนนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากไม่ให้มีการพัดภาคจากกันมันจะโผล่ขึ้นมาทันทีแล้วมันจะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาทันทีพอคิดถึงคนที่เรารักเช่นแฟนเราหรือลูกเราหรือพ่อแม่เราพอคิดว่า เขาเดี๋ยวต้องตายไปนี้ก็ไม่สบายใจเราคิดว่าเดี๋ยวเขาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยออต้องเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้ขึ้นมาความทุกข์ความไม่สบายใจก็จะปรากฏขึ้นมาพอเราลืมลืมที่คิดว่าอันนี้ต้องเกิดเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตาม ของตัวเราเองก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายของคนที่เรารักก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไม่ไปถ้าเราไม่พิจารณาอยู่เนืองๆเราจะลืมแลวเราจะอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีใครอยากให้ร่างกายแก่เจ็บตายบ้างมีแต่อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เพราะลืมว่า อยากยังไงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยากไปแล้วจะพออยากแล้วมันจะทำให้ทุกข์นั่นเองพออยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องทุกข์กันอพอคิดถึงความเจ็บโรคภัยไข้เจ็บต่างๆทงั้งๆที่ยังไม่เป็นบางทีดูโทรทัศน์ดูอะไรเขาก็มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บมาบอกมาสอน คนนั้นเดี๋ยวจะต้องเป็นมะเร็งตรงนั้นตรงนี้เออคิดถึงว่ามันอาจจะต้องเป็นที่ร่างกายเราความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแล้วทั้งๆ ท, ที่ยังไม่เป็นเจ็ดด้วยซ้ํำไปเพราะอ ะ, อะไรเพราะความอยากไม่ให้มันเป็นนั่นเองไม่อยากให้โรคร่างกายเป็นโครคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่อยากให้มันอัมเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตไม่อยากให้มันเป็นอ โรคมะเร็งโรคหัวใจโรคความดันโรคอะไรต่างๆเพราะว่าลืมไปว่าพระพุทธเจา้าสอนว่าร่างกายของพวกเราทุกคนจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ถ้าเรามาคิดอยู่เรื่อยๆเราจะไม่เดิม พอเราเห็นร่างกายของคนอื่นเนเห็นเรื่องของร่างกายเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายจากรายการต่างๆจากหมอจากอะไรที่จะสอนจะบอกจะเตือนเราว่าร่างกายเนะี่ยเดี๋ยวต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้ากินมากไปกินน้ำตาลมากไปเดี๋ยวเบาหวานก็มากินเรานะ กินน้ำตาลเพื่อให้น้ำตาลมากินเรารู้เปล่ากินไขมันเพื่อให้ไขมันมากินเราไปกินมันทำไมกินนะมันมาลับมากินเราเนี่ยสิมีปัญหากินได้แต่อย่ากินถึงขนาดทำให้มันมากินเรากินพอให้เราขับถ่ายมันออกไปได้ อย่าให้มันสะสมไว้ในร่างกายกินเพื่อเอามาใช้งานความหวานมันเป็นพลังงานไขมันมันเป็นพลังงานเป็นเหมือนน้ํามันรถยนต์เอามาใช้ประโยชน์ได้แต่อย่าเติมจนมันมากเกินไปจนสะสมอยู่ในร่างกายแล้วมันก็จะกลายเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมานี่คือความรู้ ที่เราจะได้รับในจากการมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมเรียกว่าสุตมายาปัญญาเราต้องได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เป็นปัญหากับเรานั่นเองเป็นทุกข์กับเราร่างกายนี้มันเป็นทุกข์กับเราเราไปทุกข์กับมันมันไม่มันไม่ทุกข์กับเรา แเราไปทุกข์กับมันร่างกายเวลามันแก่มันเจ็บมันตายมันไม่เดือดร้อนผู้ที่เดือดร้อนคือเราทาั้งๆที่เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็เพราะว่าเราไปยึดไปติดกับร่างกายไปอยากใช้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆนั่นเองถ้าร่างกายมันเจ็บนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้ ร่างกายเวลาไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องนอนอยู่ในบนเตียงเข้าโรงพยาบาลจะไปเที่ยวไปหาความสุขโดยใช้ร่างกายพาไปก็ไปไม่ได้เราเลยกลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวความแก่กลัวความตายกันทุกข์กับมันความกลัวก็คือความทุกข์นั่นเอง ถ้าเราไม่อยากจะทุกกับมันพระพุทธเจ้าบอกว่าเราต้องมาสอนใจให้เรารู้อยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาต้องมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้นต้องคอยเตือน พอเตือนแล้วเวลามันอยากไม่แก่มันจะบอกอะอยากไม่แก่ได้ยังไงมันต้องแก่อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้ยังไงมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเอมันก็จะระงับความอยากได้ถ้ามันระงับความอยากได้ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นมาถ้ามันระงับความอยากไม่ได้ก็แสดงว่ามันยังไม่มีอุเบกขาไม่มีกาลังที่จะ ที่จะหยุดความอยากนี่เองก็ลองเราจึงต้องไปภาวนากันไปสร้างอุเบกขาขึ้นมาด้วยการฝึกสมาธิฝึกสตินี่เองถ้าเรามีสติควบคุมความคิดได้เราก็จะหยุดความคิดได้พอหยุดความคิดได้จิตก็จะเข้าสมาธิได้ พอจิตเข้าสมาธิจิตก็จะมีอุเบกขาปรากฏขึ้นมาคือปล่อยวางวางเฉยวางเฉยกับสิ่งต่างๆได้ร่างกายเป็นยังไงก็เฉยกับมันได้ร่างกายของคนนั้นคนนี้เป็นอะไรก็เฉยกับมันได้พอเรามีอุเบกขาแล้วเรามีความรู้จากจินตามัยปัญญาคือความรู้ที่เราไม่หลงไม่ลืม ที่เราเอามาพัฒนาจากสุตตมัยปัญญาได้ยินได้ฟังธทมแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าเอาไปพิจารณาต่อนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นไตรลักษณ์นะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีมามีไปมีขึ้นมีลงมีเจริญมีเสื่อมถ้าถ้าไม่อยากจะทุกข์กับมันก็อย่าไปอยาก ให้มันขึ้นอย่างเดียวให้มันเจริญอย่างเดียวมันต้องมีขึ้นแล้วมันก็ต้องมีลงมีเจริญแล้วมันก็ต้องมีเสื่อมอมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับ Old <c oughs> นี่แะที่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเห็นตรงนี้แหละสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาร่างกายนี้มีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดา ก็ต้องมีการตายไปเป็นธรรมดาแลวก่อนที่จะตายก็มีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาไปห้ามมันไม่ได้ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้อยากแล้วจะทำให้เราทุกข์แต่เราก็ยังอยากกันอยู่ทั้งๆ ท, ที่ได้ยินได้ฟังจนหูฉีกก็ยังอยากอยู่นั่น ฟังเทศฟังธรรมหูฉีกแต่ความอยากมันไม่ฉีกไปด้วยมันฉีกที่หูฟังจนเบื่อจนไม่อยากจะฟังแต่ความอยากมันก็ไม่ได้ตายเพราะมันขาดอุเบกขาตัวที่จะทำให้มันตายถ้ายังไม่มีอัปปนาสมาธินี่ยังไม่สามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่า ความอยากนี่แหละที่ทำให้ใจทุกข์ความอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เช่นอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นไปไม่ได้ต้องมาฝึกสมาธิกันถึงจะได้ภาวนามายะปัญญาแต่ก่อนจะได้ภาวนามายะปัญญาต้องได้สุตตะไมายะปัญญาก่อนต้องได้ยินได้ฟังก่อนว่า เราต้องมาพัฒนาความรู้ทางศาสนานี้อย่างไรเราต้องมาพิจารณาอะไรเราต้องมาสร้างความรู้อะไรให้มันสถิตยอยู่ในใจของเราไม่หลงไม่ลืมไม่จากเราไปแล้วพอความรู้เหล่านี้อยู่กับใจเราก็เอาไปหยุดความอยากกันถ้าหยุดไม่ได้ก็แสดงว่า ไม่มีกำลังพอไม่มีอุเบกขาก็ต้องไปฝึกสมาธิไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบให้ได้อัปปนาสมาธิขึ้นมาถ้าไม่ได้อัปปนาสมาธินี้จะไม่มีกำลังที่จะวางเฉยได้ปล่อยวางได้การฝึกสมาธินี้ก็เป็นการปล่อยวางนั่นเอง เวลาจิตสงบจิตปล่อยวางทุกอย่างชั่วข่าวเวลาอยู่ในสมาธินี้ไม่ทุกข์กับใครเลยไม่ทุกข์กับอะไรเลยไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ทุกข์กับคนนั้นคนนี้ไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่พอออกจากสมาธิมาพอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาทันทีพออยากก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทันที แต่ถ้าเราออกจากสมาธิมาแล้วเรามีจินตามียปัญญาอยู่กับใจมพอมันจะไปอยากอะไรมันก็จะโผล่ขึ้นมาปัญญาก็จะโผล่ขึ้นมาว่าทุกสิ่งยุอย่างมันไม่เที่ยงไม่ใช่เลยไปอยากให้มันเที่ยงได้อย่างไรไปอยากให้มันดีไปตลอดได้อย่างไรไปอยากให้มันสุขไปตลอดได้อย่างไรปัญญานี่แหละที่จะมา ช่วยอุเบกขาให้ปล่อยวางเวลาอยู่ในสมาธิปล่อยวางได้เพราะไม่ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆพอออกจากสมาธิมาก็ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆรับรู้เรื่องราวของร่างกายของเราของคนนั้นของคนนี้พอได้ยินข่าวว่าคนนั้นคนนี้เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่สบายใจขึ้นมา แต่พอปัญญามาบอกว่าเอา้ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เหรอมีใครบ้างไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีใครบ้างไม่แก่ไม่ตายอาพอปัญญามาเตือนใจปับ๊บใจก็หยุดความอยากได้ อ, อยากห้ามไม่ได้ร่างกายต้องเป็นอย่างนี้กันทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีการพลาดพลาดจากกัน ถ้ามีปัญญาแล้วมีอุเบกขาจิตก็จะปล่อยวางได้จะไม่ทุกข์กับข่าวๆต่างๆที่เกี่ยวกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามร่างกายของเราเวลาออกจากเวลาอยู่ในสมาธิไม่รู้ว่าร่างกายเราเป็นโลกมะเร็งพอออกจากสมาธิมากลับมาเห็นร่างกายตอนนี้เป็นโลกมะเร็งใจจำได้ พอไปหาหมอมาหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งแล้วก็เริ่มไม่สบายใจขึ้นมาพอมีปัญญาที่เป็นจินตามัจญาปัญญาอาคือความจําความรู้อันนี้ได้ว่าร่างกายนี้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาไม่เป็นมะเร็งก็ต้องเป็นความดันไม่เป็นความดันก็ต้องเป็นเบาหวานไม่เป็นเบาหวานก็ต้องเป็นอ หัวใจวายมันมีเรื่องราวหลังนี้มารอรับอยู่ตลอดเวลาพอมีปัญญาว่ามันต้องเป็นแล้วมีอุเบกขามันก็เฉยได้ยอมรับความจริงเป็นก็เป็นสิยิ่งถ้าเราได้ฟังธรรมะอีกระดับหนึ่งอีกข้อหนึ่งที่สอนให้เรารู้ว่าให้ที่เป็นไม่ใช่เรา ไอ้ที่เป็นนี่คือร่างกายเราเป็นจิตใจเป็นฝาแฝดเป็นแฝดพี่แฝดน้องเราเป็นแฝดพี่ร่างกายเป็นแฝดน้องร่างกายเป็นผู้คอยรับใช้เราที่เราทุกข์เพราะว่าเราอยากให้เขารับใช้เราไปนานๆ น, นั่นเองพอเขาจะไม่สามารถรับใช้เราได้เราก็เดือดร้อนเห็นไหมเวลาคน คนรับใช้ไม่สบายนี้เป็นยังไงโอ้ยกูต้องซักผ้าเองแลกูต้องถูบ้านเองแะ้ต้องกวาบเก็บกวาดเองแลสบายใจไหมไม่สบายใจแต่ถ้าคนรับใช้แข็งแรงโอ้ยสบายเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็มากวาดมาถูบ้านให้เรามาเย็บมาเก็บผ้าไปซักมาจัดระเบียบอะไรต่างๆของบ้านให้สะอาดสะอานให้สวยงาม เราก็เลยรักคนใช้เราแต่พอคนใช้ขอลากลับบ้านนี่ไม่อยากจะให้มันไปนั่นแหละหรือเวลาคนคนรับใช้ไม่สบายขึ้นมานี่ก็ไม่ชอบแล้วไม่พอใจไม่สบายใจนี่แหละคือเรากับร่างกายเราเป็นเหมือนเจ้านายกับบ่าวใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับบ่าวเลยแต่กับวุ่นวายเพราะใจ เสียนิสัยไม่ยอมทำอะไรเองเอาบบาชะาไม่เอาคนใช้มารับใช้มาทำอะไรที่อยากให้อยากอยากได้อยากทำถ้าหัดทำเองได้เวลาคนรับใช้ไม่สบายก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องมีคนรับใช้ก็ได้เห็นไหมเมืองนอกเมืองนาฝรั่งนี่เขาไม่ค่อยมีคนรับใช้เท่าไหร่เพราะมันแพงจะย้างคนมาคนรับใช้มาทำงานนี่มัน ตู้ทำเองดีกว่าประหยัดเงินจ้างคนรับใช้มาเสียเงินหลายเงินหลายทองใช้เองก็เท่ากับจ้างตัวเองเงินก็จะอยู่กับเราไม่ไม่ไม่สูญหายไปไหนจะได้เอาเงินไปใช้อย่างอื่นได้มนือเมืองนอกฝรั่งนี่ส่วนใหญ่เขาทำเองบ้านเขานี่เขาต้องกวาดถูเองต้องซักเสื้อผ้าเองทาอะไรเอง เขาก็ไปสร้างคนใช้แบบที่ที่เป็นเครื่องจักรไปเขาก็มีเครื่องดูดฝุ่นเครื่องอะไรมีเครื่องซักผ้ามีเครื่องล้างถ้วยล้างชามแล้วเขาก็ไปทุกข์กับไอ้เครื่องเหล่านี้เวเวลามันเสียก็ปวดหัวกับมันเนี่ยต้องเรียกช่างมาซ่อมอีกหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนเครื่องบางอยังไงก็ยังต้องไปทุกข์กับ สิ่งที่มารับใช้เราอีกเนี่ยศาสนาพูดจึงสอนว่าเอาตัวเราเป็นคนรับใช้เราดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเพราะตัวเรานี้มันจะอยู่กับเราไปตลอดมันจะไม่มีวันจากเราไปอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอย่าไปพึ่งคนนั้นคนนี้อย่าไปพึ่งร่างกายเพราะเป็นของ ไม่แน่นอนเวลาพึ่งได้ก็ไม่มีปัญหาไม่มีทุกข์เวลาพึ่งไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาเกิดทุกข์ขึ้นมาดังนั้นเราพยายามลดการพึ่งพาร่างกายกันดีกว่าอย่าไปอาศัยร่างกายอย่าไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้มาหาความสุขที่เกิดจากการภาวนานี่ดีกว่า เกิดจากการทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาอพอใจเราสงบมีอุเบกขาแล้วเราก็มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอะไรนี่คือการปฏิบัติได้ประโยชน์สองสองเดงคือได้ปัญญาระดับภาวนาไมยปัญญาและได้ความสุขภายในตัวของเราเอง ที่จะทำให้เราไม่ต้องไปพึ่งร่างกายต่อไปไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องมีร่างกายเราก็มีความสุขได้ถ้ามีร่างกายอาศัยร่างกายเราก็มีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์ตามมาสุขตอนที่ร่างกายทำอะไรให้กับเราได้ทุกตอนที่ร่างกายทำอะไรให้กับเราไม่ได้ จะสุขแบบไหนดีสุขแบบมีร่างกายก็ต้องทุกข์กับร่างกายสุขแบบไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องทุกข์กับร่างกายนี่นี่แหละคือเรื่องของปัญญาของศาสนาพุทธนี่มีสามระดับเราต้องไปสู่ระดับที่สมถึงจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ระดับที่หนึ่งระดับที่สองนี่เป็นเหมือนขั้นบันได ที่จะพาเราไปสู่ระดับที่สามต้องมีทั้งขั้นที่หนึ่งถึงจะไปขั้นที่สองได้จากขั้นที่สองถึงจะไปขั้นที่สามได้เหมือนกับการเอาผลไม้ก่อนที่เราจะได้ผลไม้จากต้นไม้เราต้องไปขั้นที่หนึ่งก่อนคือเราต้องปลูกต้นไม้ก่อนอยากกินส้มปลูกส้มไว้เลยสร้างสวนส้มขึ้นมาปลูกต้นส้มไว้เยอะ ปลูกแล้วก็ขั้นที่สองก็ต้องคอยดูแลรักษาเวลามันขาดน้ําก็ต้องลดน้ําให้มัน เ, เวลามีมัชพืชก็ต้องคอยกําจัดมันเมื่อมีแมลงมากัดมากินใบก็ต้องคอยกําจัดมันออพอต้นไม้ได้รับการดูแลมันก็จะเจริญเติบโตต่อไปมันก็ออกลูกออกมาออกผลออกมา ปัญญาก็แบบเดียวกันท่านที่หนึ่งเราต้องปลูกฝังปัญญาไว้ในใจของเราตอนนี้ในใจเราไม่มีอะไรปัญญามีแต่โมหะอาวิชชามีแต่ความหลงมีแต่ความคิดที่ไม่ถูกคิดว่าร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันเนี่ยพอพระให้พร่าอขอให้บายไม่รู้เลยสวยไม่สางนิสาทุสาทุกัน แสดงว่าเนี่ยไม่มีปัญญาเลยถ้ามีปัญญาบอกผ้านี่โกหกนะมันเป็นไปได้ยังไงวะน่างกายมันจะบาลแล้วไม่รวยมันไม่มีหรอกมาเนี่ยพอถ้าพระให้พรรักษาทุกนี่แสดงว่าไม่มีปัญญาเข้าใจไหมเหมือนวันนี้บอกให้ล่ําให้รวยก็สาธุแล้วมันรวยหรือเปล่ามันก็ไม่เคยรวยสักทีบอกให้ล่ําให้รวยมาไม่รู้กี่งวดนะ มันก็ไม่รวยสักทีมันก็ไม่มีปัญญาว่ามันไม่ได้รวยจากการที่พระเสกเป่าให้พรว่าขอให้ร่าให้รวยมันเป็นไปไม่ได้อยากจะรวยก็ไปหาเงินซิทำงานมีรายได้แล้วก็เก็บเงินไว้อย่าไปใช้มันเดี๋ยวสิบปียี่สิบปีก็รวยขึ้นมาเองนี่ไม่ยอมทําแบบนี้ใจร้อนอยากจะรวยเร็วๆ ร, ร, รวยเช้ารวยเย็น ซือหวยตอนเช้าตอนเย็นก็รวยอมันรวยแบบนี้ชอบกันเนี่ยเรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นไปไม่ได้เป็นได้ก็เป็นเรื่องที่นั่นที่จะเกิดขึ้นได้แค่คนสองคนนั้นเองรางวัลที่หนึ่งถูกกันได้สักกี่คนดังนั้นแสดงว่าขาดปัญญาคนที่หวังร่ํารวยจากการ แทงหวยนี่เจ้งกันทุกคนจนกันทุกคนไม่มีวันล่าไม่มีวันเลยคนรวยเขาไม่มาเสียเวลามานั่งแทงหวยกันเขาไปทำงานหาเงินกันเขามีความรู้ว่าอยากจะรวยนี่ต้องมีงานทำมีรายได้ถึงจะรวยแต่ถ้าไปแทงหวยนี่มันมีแต่จะแจ้งเขาเลยไม่แทงหวยกัน ไปศึกษาประวัติของคนน่ํารวยหรดูแล้วเขาแทงหวยกันปะเขารวยเพราะเกิดจากการแทงหวยปะไม่ได้เกิดจากการแทงหวยหรอกเกิดจากการที่เขาทํางานหารายได้แล้วก็เอารายได้นี้มาขยายต่ อ, ต, อต่อยอดไม่เอาไปใช้ใช้เท่าที่จําเป็นส่วนที่เหลือเอาไปต่อยอดเอาไปลงทุนใหม่อไปเพิ่มทุนเอออันนี้ก็ เรื่องของคนมีปัญญาคนมีปัญญาคนที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมนี้จะรู้ว่าร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ chat. มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดามีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากจะทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ก็อย่าไปอยากให้มันไม่เสื่อมอย่าไปอยากให้มันไม่ดับเนี่ยที่เราทุกข์กันเพราะเราอยากให้มันไม่ดับอยากให้มันไม่เสื่อม แล้วมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีอยากยังไงมันก็ไปห้ามมันไม่ให้ดับไม่ได้ไปห้ามไม่ให้มันไม่เสื่อมไม่ได้ถ้ามาฟังเทศบ่อยๆก็จะเข้าใจว่าต่อไปนี้เราอยากไม่ได้นะอยากให้สิ่งต่างๆที่จะต้องเสื่อมไม่เสื่อมไม่ได้อยากที่จะให้สิ่งต่างๆที่จะต้องดับนี้ไม่ดับไม่ได้อยากที่จะให้คนที่จะต้องตายนี้ไม่ตายไม่ได้ นี่เราก็จะมีความรู้ระดับที่หนึ่งถ้ารู้แล้วมันยังไม่ยอมหยุดความอยากยังหยุดความอยากไม่ได้ก็เพราะบางทีเราลืมพอเราฟังเทศเสร็จเราก็ลืมพอเราไปออกจากที่นี่ไปเราก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อพอไปคิดมันก็ลืมเรื่องนี้ไปแล้วมันก็พอ เห็นอะไรที่จะเสื่อมก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีพะเพห็นใครจะตายก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีก็เพราะลืมไปฉะนั้นเราต้องทําให้มันไม่ลืมความรู้ที่เราได้ยินคืออันนี้จังทุกขังาน้าตานี้ต้องอย่าลืมต้องให้มันมีอยู่ในใจเราเหมือนกับเราหัดท่องสูตรคูณะถ้าเราไม่ท่องสูตรคูณจนจําได้เราจะใช้สูตรคูณไม่ได้เวลาเราจะคูณเลข เจ็ดคูณเจ็ดนี่เป็นยังไงนึกไม่ออกต้องเอาเจ็ดมาบวกกันเจ็ดครั้งเจ็ดที่หนึ่งบวกที่สองเป็นสิบสี่บวกที่สามเป็นยี่สบเอ็ดเป็นยี่บแปดเป็นสามสิบห้ากว่าจะได้เจ็ดครั้งก็นานแต่ถ้าท่องไว้เรื่อยๆเจ็ดคูณหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่ท่องไปเดี๋ยวมันก็จาได้พอจาได้ต่อไปพอจะคูณเลข เจ็ดคูณเจ็ดเท่าไหร่วะวันนี้จะมีคนมาพักเจ็ดเจ็ดเจ็ดคนจะมาพักเจ็ดคืนค่าห้องตกห้องละเท่าไหร่ถ้าคูณไม่เป็นก็ไม่รู้ว่าจะมีรายรับเท่าไหร่แต่ถ้าพอคูณเป็นปั๊บเจ็ดคูณเจ็ดก็สี่สิบเก้าห้องพันหนึ่งก็ได้สี่สิบเก้าพันสี่สิบเก้าพันก็สี่สี่หมื่นเก้ามันก็ได้ทันที ถ้าท่างสูตรคูณได้มันก็มันก็สามารถเอามาทำประโยชน์ได้ฉันใดถ้าเราเอาปัญญาที่เราได้เรียนรู้จากการฟังเทศสังธรรมว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วพอเราไปยึดไปติดกับอะไรจะอยากให้เขาเป็นนิจจังสุ ข, ขังอัตตาเราก็จะได้บอกว่าคิดผิดละเป็นไปไม่ได้คิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์นะ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องเป็นอนิจจังมันไม่เป็นนิจจังเดี๋ยวมันจะเป็นทุกขังมันไม่เป็นสุขขังมันเพราะว่ามันไม่ไปเป็นอัตตามันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นอนัตตาเพราะว่ามันไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากเราไปมันไม่จากเราเราก็ต้องจากมันถ้าคิดอย่างนี้ก็จะปล่อยได้ในระดับหนึ่งแต่อาจจะปล่อยไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างบางอย่าง ที่เราไม่ค่อยยึดไม่ค่อยติดเราก็ปล่อยได้ของที่เราไม่ค่อยรักไม่ค่อยหวงเราก็ปล่อยได้แต่ของที่เรารักเราหวงนี้อาจจะปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยไม่ได้ก็แสดงว่ากำลังปล่อยมีน้อยคืออุเบกขามีน้อยเราก็ต้องมาฝึกอุเบกขากันสร้างอุเบกขาขึ้นมาด้วยการฝึกสติก่อนต้องเจริญสติพุทธโธ หรือใช้กรรมฐานบทใดบทหนึ่งคอยควบคุมความคิดให้หยุดความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้คิดด้วยเปลีย่ยจะใช้พุโทโธก็ได้หรือจะใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรให้อยู่กับการทำงานของร่างกายไปมันก็จะไปคิดด้วยเปลียไม่ได้เราพอเราฝึกสติได้มีสติเราก็จะหยุดความคิดได้ พอมันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องที่ไม่ควรคิดเราก็หยุดได้พอไปคิดเรื่องนิจจังสุขขังอัตตาก็หยุดมันได้บอกให้เป็นไปไม่ได้อยากให้ทุกอย่างมันเป็นนิจจังสุขขังอัตตามันเป็นไปไม่ได้เพราะทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอพอเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากได้ปล่อยวางได้ถ้ามีอุเบขามีสติ น, นี่คือเรียกว่าภาวนามายปัญญาปัญญาที่จะระ ง, งับดับความทุกข์ละระงับดับความอยากต่างๆที่เป็นตัวทําให้ใจเราทุกข์ต้องเป็นภาวนามายปัญญาคือต้องเป็นจินตาบวกกับอัปปนาสมาธิต้องมีจินตาคือจําได้ตลอดเวลาว่าอันนี้ทุกอย่างเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา เหมือนกับจบําบทสวดมนต์หรือจำบทจําสูตรคูณได้จํากอไก่ขอไข่ได้ทำํำไมเราอ่านหนังสือกันได้เพราะเราจํากอไก่ขอไข่ได้สระอัสระอีได้พอเห็นกอไก่เห็นสระอัสระอาขึ้นมาก็อ่านได้เลยเออเพราะเราฝึกมาก่อน เ, ออเราฝึกอ่านฝึกกอไก่ขอไข่ท่องจนปากเปียกปากฉีกเห็นไหม กอเอยกอไก่กอไข่นายเล้ขใใเาขอคนขอควายอะไรนะท่องไปจนถึงหองนะคู่ต่อมาก็หัดสะกดนกอสระอะเรียกว่ากะกอสระอาเรียกว่ากากอสระอเรียกว่าเกะก็หัดสะกดไปต่อไปก็เอามารวมกันอ่านได้ กอไก่ในเล้าแปลว่าอะไรอ๋ไก่ต้องอยู่ในเล้าเล้าก็คือบ้านไก่อันนี้ก็จะเป็นการเรียนพัฒนาภาษาไปการอ่านไปเราไปพอใครเขียนหนังสืออะไรมานี่อ่านได้หมดเพราะว่าได้ซ้อมมาก่อนได้ฝึกมาก่อน ถ้าไม่ไปเรียนกอ่อไก่ขอไข่ไม่สะกดอย่างชาวต่างชาตินี่มาเห็นหนังสือไทยแล้วไม่รู้จะเห็นเป็นตัวหนอนไปหมดตัวหนอนทั้งนั้นน่าจะอ่านยังไงเหมือนเราไปดูภาษาญี่ปุ่นเหมือนตัวหนอนไหมดูภาษาอาหรับเหมือนตัวหนอนไหมทำไมเขาอ่านได้ทำไมเราอ่านไม่ได้เพราะเราไม่เรียนเราไม่เรียนเราก็เลยอ่านไม่ได้เขาเรียนเขาก็อ่านได้ อันนี้ก็เหมือนกันเรื่องอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่ค่อยเรียนกันเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเราไม่ค่อยเรียนกันเรื่องอสุภะอสุพังไม่ค่อยเรียนกันเรื่องปฏิกูลของอาหารไม่เรียนกันะมันก็เลยหลงกันหลงไปคิดว่ามันเป็นนิจจังสุขขังอัตตาหลงไปคิดว่าร่างกายนี้สวยงามให้ไม่มีประกวดงงามทุกระดับนะ ระดับโรงเรียนเลยเดี๋ยวนี้เริ่มประกวดตั้งแต่อยู่โรงเรียนใช่ไหมเด็กอนุบาลก็มีประกวดนา ง, งามกันนะหลงไหลกันหงคิดว่าร่างกายนี่สวยว่างามกันเพราะว่าไม่ได้ไปมองส่วนที่ไม่สวยไม่มองเข้าไปภายใต้ผิวหนังกันไม่ไปพิจารณาอาการสามสิบสองพิจารณาอสุภะกันก็เลยมองไม่เห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกาย ก็เลยทําให้เกิดความหลงรักร่างกายแล้วก็ทุกข์กับร่างกายเวลาต้องสูญเสียร่างกายนั้นไปหรือสูญเสียความงามของร่างกายนั้นไปพอร่างกายไม่น่าดูแล้วเป็นยังไงทุกข์กันไอไม่มีความสุขแล้วอันนี้เกิดจากการที่ไม่ศึกษาความจริงการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมนี้เป็นการมาศึกษาความจริงของชีวิต ของสิ่งต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของเงินทองอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสร้วนเป็นอ น, นิจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นอันนี้แหละที่เราต้องเอาไปตอนตอน้ตนต้องไปเรียนก่อนเรียนให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังหรือเป็นนิจจังเออนิจจังเรียกว่าไม่เที่ยงนิจจังเรียกว่าเที่ยงเป็นสุขขังหรือเป็นทุกขังเอเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือเป็นอัตตาไม่ใช่ของเราหรือเป็นของเราอต้องศึกษาให้เห็นความจริงอถ้าเราไม่เห็นก็อาศัยคนที่เห็นแล้วมาบอกเรา พระพุทธเจ้าเห็นแล้วพระอาหารหันตสาวกเห็นแล้วเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เทีย่ยมมีเกิดมีดับเมื่อมีเกิดมีดับมันก็มีสุขมีทุกข์มันก็ต้องมีทุกข์ตามมาเวลาสิ่งที่ให้ความสุขกับเรามันหมดไปความสุขหมดไปความทุกข์มันก็เข้ามาแทนที่อนัตตามันไม่ได้เป็นของเรามันจากเราไปแล้วมันถึงทาให้เราทุกข์ ถ้ามันยังอยูอย่กับเรามันก็ยังไม่ได้ทําให้เราทุกข์เช่นแฟนของเราจากไปอย่างนี้สุขไหมหรือทุกข์เวลาอยู่กับแฟนมีความสุขแล้วเวลาแฟนจากไปนี่มันยังจะสุขอยู่หรือเปล่ามันสุขไม่ได้เพราะสิ่งที่ให้ความสุขกับเรามันไม่มีเสียแล้วมันไม่ได้เป็นของเราเสียแล้วมันไปเป็นของคนอื่นเสียแล้วอันนี้ นี่คือความจริงของชีวิตที่พวกเราไม่รู้กันนึกรู้แล้วแต่ทําเป็นไม่ไมรู้ทําเป็นลืมกันไม่อยากจะคิดถึงมันไม่มีใครอยากจะคิดถึงความตายกันไม่มีใครอยากจะคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยกันไม่มีใครอยากจะคิดถึงความแก่กันเลยทําให้เราลืมไปว่าร่างกายของเราทุกคนนี่จะต้องแก่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่ง แล้วก็ในที่สุดก็จะต้องตายอันนี้ไม่ยอมคิดกันไม่กล้าคิดกพราคิดว่าถ้าคิดแล้วเหมือนกับสาบแช่งตัวเองสาบให้ตัวเองแก่สาบแช่งให้ตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยสาบแช่งให้ตัวเองตายไม่ต้องสาบมันก็เป็นอยู่แล้วลองศึกษาดูสิ จะสาบไม่สาบจะแช่งไม่แช่งจะพิจารณาหรือไม่พิจารณามันก็ต้องแก่เจ็บตายกันด้วยกันทุกคนนะแต่การพิจารณานี้มันจะทำให้เรามีความรู้มาดับความทุกข์ได้ความทุกข์ที่เกิดจากความลืมลืมว่าร่างกายเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอลืมก็เลยคิดว่ามันจะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ก็จะอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปเรื่อยๆตอนนี้มันไม่แก่ก็อยากจะให้มันไม่แก่ไปตอนนี้มันไม่เจ็บก็จะอยากให้มันไม่เจ็บตอนนี้มันไม่ตายมันก็จะอยากไม่ให้มันตายแต่วันดีขึ้นดีมันจะเจ็บขึ้นมาก็ไม่ก็ไม่มีใครไปห้ามมันได้วันดีขึ้นดีเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้เสียแล้ว แล้วจะทาไงถ้าไม่มีความจริงสอนใจเตือนใจอยู่มันก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะไม่เคยคิดว่าจะต้องเจ็บนั่นเองไม่เคยคิดว่าจะต้องเป็นโลกนั้นโลกนี้แต่ถ้าคอยสอนเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องเป็นโรคใดโรคหนึ่งเป็นมากเป็นน้อยแต่ต้องเป็นเป็นช้าเป็นเร็วต้องเป็น บางคนรักษาสุขภาพได้ดีก็เป็นช้าหน่อยกว่าจะเป็นอายุเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบไปก็มีบางคนรักษาสุขภาพไม่ดีเป็นตั้งแต่อายุสิบขวบยี่สิบขวบก็มีแต่มันต้องเป็นด้วยกันทุกคนให้ถ้าเรามีปัญญามีความรู้ในระดับแรกเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจ แล้วก็คอยสอนใจอย่าให้ลืมความจริงว่าไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวเราก็ต้องเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายกันถ้าใจเรายังทุกข์อยู่เวลาที่เราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็แสดงว่าเราไม่มีอุเบกขาเราไม่มีสมถะภาวนาเราก็ต้องไปฝึกสมถะภาวนาคือการฝึกสมาธิ ทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาพอใจสงบมีอุเบกขาพอมาพิจารณาร่างกายว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะไม่ทุกข์ใจจะเฉยได้เนี่ยนี่คือประโยชน์ของอุเบกขาจะทำให้ใจนี้เฉยได้ไม่ทุกข์กับความจริงต่างๆร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายถ้ามีอุเบกขาก็จะเฉยได้พอไปเจอ ความแก่ความเจ็บความตายเข้าจริงๆก็ไม่ทุกข์ปล่อยวางได้เพราะมีปัญญาระดับที่สามมีเรียกว่าภาวนามายปัญญาคือเอาจินตาความความรู้ที่เราไม่หลงไม่เดิมที่เราท่องจำอยู่ในใจตลอดเวลามาบวกกับอุเบคาที่ได้จากอัปปนาสมาธิ ที่ได้จากการบําเพ็ญส ม, มถภาวนาพอได้อปปนาได้จินตามยปัญญามันก็จะรวมกันเป็นสุดเป็นภาวนามยปัญญาพอมีภาวนามยปัญญาความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องต่างๆก็จะหายไปหมดความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สูญเสียสิ่งนั้นสูญเสียสิ่งนี้จะไม่ทุกข์กับมันะ พอใจมีอุเบกขาวางเฉยมีปัญญาสอนใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับมีมามีไปมีขึ้นมีลงไม่มีอะไรเป็นของเราอันนี้ใจก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆนี่คือปัญญาระดับที่สามเป็นปัญญาที่เราต้องก้าวไปให้ถึง เบื้องต้นเราก็ต้องปลูกฝังปัญญาเหมือนกับปลูกต้นไม้ไปเอาปลูกฝังปัญญาด้วยการเอาเมล็ดต้นไม้จากพระพุทธเจ้ามาการวเาวลาเราฟั่งเทศฟั่งธรรมนี้ก็เท่ากับเราเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาปลูกไว้ในใจของเราพอเราปลูกแล้วเราก็ต้องมันลดน้าพรวนดินด้วยการนาเอามาคิดพิจารณาอยู่เรื่อย พระพุทธเจ้าพระ boat. พระทุทธเจ้าสอนสัพเพสัพเพสสังขารานิจารสังขารทั้งหลายสังขารเครื่องปรุงแต่งทั้งหลายไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมาจากดินน้ำนมไฟนี้เราเรียกว่าสังขารเพราะมันปรุงแต่งด้วยดินน้ำนมไฟสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงร่างกายนี้ก็ปรุงแต่งมาด้วยดินน้านมไฟมันไม่เที่ยง มันมีเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีดับก่อนจะดับมันบางทีมันก็ต้องแก่ต้องตายแต่บางทีมันก็ดับก่อนที่จะแก่จะเจ็บก็มีเด็กบางคนออกมาปับ๊บถูกพ่อแม่จับกดน้ำปั๊บเนี่ยก็ตายไปทันทียังไม่ทันแก่ยังไม่ทันเจ็บเนี่ยแต่มันต้องตายเนี่ยไม่ช้าก็เร็วอันนี้เป็นความจริงของสิ่งต่างๆที่เรามา ครอบครองอาศัยไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองอะไรต่างๆล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นมีเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีดับไปเรียกว่าสัพเพสังขาราอนิจจาเมื่อมันมีการดับมันก็มีความทุกข์ตามมาสัพเพสังขาราทุกข์ขา เมื่อมันมีการดับไปมันก็เป็นการจากเราไปมันเคยเป็นของเรามันก็ไม่เป็นของเราแล้วเวลามันจากเราไปเราก็เรียกว่าสัพเพธรรมานัตตาคือธรรมทั้งหลายรวมทั้งสังขารและไม่ใช่สังขารเป็นอนัตตาธรรมที่เป็นสังขารก็คือเนี่ยของที่ปุ่งแต่งด้วยดินน้ำลมไฟธรรมที่ไม่เป็นสังขาร ก็คือทำที่เป็นตัวของตัวมันอยู่ล้วนๆก็คือจิตเนี่ยจิตก็เป็นไม่ได้เป็นสังขารเป็นธาตุเหมือนธาตุดินน้ำลมไฟนี่ก็ไม่เป็นสังขารเวลามันอยู่ของมันถ้าน้ำอยู่ตามลำพังนี่มันไม่เป็นสังขารแต่ถ้ามันมารวมกับดินกับลมกับไฟมันถึงจะเป็นสังขานขึ้นมาก็คือสรุปว่า ทำทั้งปวงทำที่เป็นสังขารและไม่เป็นสังขานี้ก็ไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของพูดง่ายๆไม่มีใครที่จะมายึดมาคลองว่าเป็นของเราได้ mm. นี่บทที่เราสวดกันเวลาสวดมนต์นะท่ทานจะสอนให้สวดส ja, ัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพอนัตตาและสัพเพธรรมานัตตา ก็นี่คือสิ่งที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยล้วนไม่เที่ยงล้วนเป็นทุกข์ล้วนไม่ใช่เป็นของเราไม่ไม่ไม่มีตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเรารู้แนละ้วเราเอามาหยุดความอยากได้เราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราลืมพอเกิดความอยากขึ้นมาปั๊บนี่แสดงว่าเราลืมแล้ว อยากให้มันเที่ยงก็แสดงว่าลืมนะอยากให้มันสุขก็แสดงว่ามันลืมนะอยากให้มันเป็นของเราไปตลอดนี่ก็แสดงว่าลืมนะแต่ถ้าเราหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆสัพเพสังขารานิจาไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขังเป็นทุกข์สัพเพธรรมานาตาไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา ถ้าจําได้มันก็จะปล่อยวางจะไม่ไปยึดไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันสุขไปตลอดอยากให้เป็นของเราไปตลอดเป็นของเราชั่วคราวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้ารู้แล้วยังปล่อยไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีอุเบกขาก็ต้องไปฝึกอุเบกขาไปหมั่นนั่งสมาธิทําใจให้สงบทําใจให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาพอมีอุเบกขาแล้วทีนี้ พอเห็นอะไรก็จะปล่อยได้พอรู้ว่ามันไม่เที่ยงไม่ช้าก็เร็ว ม, มันก็ต้องจากเราไปถึงแม้จะอยู่กับมันก็ไม่อยู่แบบทุกข์ไม่อยู่แบบกังวลไม่อยู่แบบยึดติดนั่นเองอยู่ได้มีอะไรก็มีได้แต่พร้อมที่จะให้มันไปพร้อมที่จะให้มันเปลี่ยนไปพร้อมที่จะให้มันหมดไปคนที่มีปัญญามีอุเบกขาก็จะทาแบบนี้ ถึงแม้ยังจะอยู่ก็อยู่แบบไม่ยึดไม่ติดอยู่แบบหยดน้ําบนใบบัวเห็นไหมอยู่ด้วยกนันได้หยดน้ําบนใบบัวน้ําก็ยังเป็นน้ําอยู่น้ําไม่หายไปไม่ถูกใบบัวดูดซึมเข้าไปคนที่ไม่มีปัญญาแบบภาวนามระเจ้าปัญญานี้ก็จะอยู่แบบหยดน้ํากับกระดาษซึมเนี่ยกระดาษซับลองหยดน้ําเข้าไปในกระดาษซับดูเลยดูมันกิ้งไปกิ้งมาป่า หยดน้ำมันก็จะถูกกระดาษซับดูดเข้าไปหมดเป็นเนื้อเดียวกันเลยะใจของผู้ที่ไม่มีปัญญาก็เป็นเหมือนกระดาษซับ พ, พอได้อะไรมาก็จะดูดเข้าไปเป็นเนื้ออันเดียวกันเป็นของเราทันทีต้องอยู่กับเราเป็นของเราไม่เปลี่ยนแปลงให้ความสุขกับเราตลอดเวลาแต่พอความจริงมาปรากฏมันไม่ได้อยู่กับเรามันจากออกไป ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาดังนั้นเราต้องมาฝึกมาสร้างปัญญากันขั้นต้นเราต้องมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เรารู้ว่าเราควรจะรู้อะไรสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือสัพเพสังขารานิจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธราารมาน ต, ตานี่เองคอรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมตัวกันขึ้นมาเป็นสังขารนีไม่เที่ยงเป็นทุกข และสิ่งที่มารวมตัวให้เป็นสังขารคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟกับธาตุรู้คือใจก็ไม่ปีตัวตนเหมือนกันเป็นเพียงเป็นธาตุเป็นน้ำเป็นดินเป็นลมเป็นไฟเป็นโทรู้เป็นผู้รู้แต่ไม่มีตัวตนเป็นเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติพูดง่ายๆแล้วถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะได้ ลดอัดตราตัวตนไดน้ลดการควบคิดว่าเราเป็นนูน่นเป็นนี่ได้เพราะความจริงมันเราเป็นเพียงความคิดเท่านั้นเองพอเราหยุดคิดเราก็หายไปเนยเวลานั่งสมาธิจิตสงบตัวเราความคิดเราหายไปหมดตัวเราก็เลยไม่รู้หายไปไหนเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวมันหายไปกับความคิดเท่านั้นเองมันเกิดจากความคิดแต่มันไม่เป็นความจริงอันี้ ถ้าผู้ศึกษาแล้วจะได้รู้เรื่องราวเหล่านี้มารู้แล้วขั้นต่อไปก็ต้องเอาความจริงอันนี้มาสอนใจอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆเพราะการยึดติดจะทำให้ใจทุกนั่นเองแต่ถ้ารู้แล้วเราจจำได้แล้วแต่ยังยังยังปล่อยวางไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีกําลังพอมีสุตตะแล้วมี มีสุตตะมายาปัญญาแล้วมีจินตามยปัญญาแล้ ว, มามาญญลวไม่หลงไม่ลืมแต่ยังปล่อยไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีอุเบกขายังไม่มีภาวนามายาปัญญาก็ต้องไปฝึกสมถะภาวนาเพื่อให้เกิ ด, กดอุเบกขาขึ้นมาพอทีนี้พอได้อุเบกขาแล้ว พอมารวมกับจินตามยะปัญญาเห็นอะไรก็ตัดทันทีปล่อยทันทีเห็นอะไรก็อนิจจังทันทีเห็นอะไรก็ทุกขังทันทีเห็นอะไรก็อนัตตาทันทีเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดเลยเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วทีนี้ก็ไม่มีวันทุกข์กับอะไรต่อไปความทุกข์ดับได้ต้องดับได้ด้วยภาวนามยปัญญา แต่ก่อนจะได้ภาวนามย์ปัญญาต้องผ่านสุตตามยปัญญาต้องผ่านจินตามยปัญญาถึงจะเข้าสู่ภาวนามย์ปัญญาได้จะเข้าแบบเร็วแบบช้านี้ก็แล้วแต่ความสามารถบางคนฟังธรรมปุ๊บเปลี่ยนมาเป็นจินตาเปลี่ยนมาเป็นภาวนาได้ทันทีก็มีบรรลุธรรมในขณะที่ฟังธรรมเลยก็มีเช่นเวลาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมครั้งแรกให้กับพระปัญจวัคคี พระปัญจวัคคีนี้ก็มีอุเบกขากัแล้วแต่เขาไม่มีปัญญาเขาไม่รู้จักการนิจังทุกขังอนัตตาพอพระพุทธเจ้าแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาเขาก็เอามาสอนใจทันทีพอใจรู้ว่าทุกอย่างเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาก็าปล่อยวางได้ทันทีเพราะเขามีอุเบกขาผู้ที่ฟังธรรมคนแรกที่บรรลุธรรมก็คือพระอญญานโกนทัญญา มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดย่อมมีดับไปเป็นธรรมดาเห็นอนิจจงเห็นทุกขังเห็นอนัตตาก็เลยปล่อยวางปล่อยวางก็เลยบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้ทันทีแต่พวกเรานีฟังยนฮุหูฉีกแล้วทำไมไม่ปล่อยวางเพราะไม่มีอุเบกขายังปล่อยไม่ได้ยังรักเพชรเม็ดนั้นอยู่ยังเพชร ยังรักทองเส้นนั้นอยู่ยังอยากได้หวยยังอยากถูกหวยอยู่วันนี้เนี่ยมันถึงปล่อยไม่ได้มันยังไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ยังไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนก็เลยไม่ยอมปล่อยพอไม่ปล่อยก็เลยต้องอยู่ต้องทุกข์กับมันต่อไป น, นี่คือเรื่องราวของความรู้ทางของาศาสนาพุทธมีสามชนิดมีสามระดับ เนบันไดต้องผ่านขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองถึงจะไปสู่ขั้นที่สได้ต้องศึกษาต้องฟังเทศฟังธรรมให้เกิดสุตตามยาปัญญาแล้วก็เอาไปพิจารณาอยู่ตรงเนือ ง, องไม่ให้หลงแม่ดื่มเพื่อให้เป็นจินตามายาปัญญาแล้วก็ให้ไปฝึกสมาธิให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาพอได้อุเบกขาแล้วก็จะได้ภาวนามยาปัญญาก็จะสามารถมากําจัดการยึดติด กับสิ่งต่างๆได้หมดปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้พอไม่ยึดไม่ติดพอปล่อยวางได้ก็ไม่ทุกข์อีกต่อไปจิตก็หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยประการละะัพชนี้เอวังก็พอสมควรแก่เวล า, านานๆจะได้เอวังทักทีจะขออนุมมทนาให้พรยาถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคหลัง เอวเมวาอิโตทินังเตตานังอุปกักปติอิชิตังปทิตังตุมหังคิดเปเมวสัมมิจโตุสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนาราโสยธาเมณิโชติ อาราโสยะาสัพพิตโยวิวัชันตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภะวะโตอันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะ อาภีวาทนาสีลิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังภาลาังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ล้าจะมีวิทยากร อ, อ่านคำถามให้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ทางเฟ c e b o o สาม7้อ u แปดสิบเจ็ดยูสองร้อยเจ็ดสิบวิทยุออนไลน์สามสิบรับฟังบนขา 43, ่าวสี่สิบสามรวมเจ็ดร้อยสามสิบค่ะอ่าเจ็ดสามศูนย์เช็คดูยังเมื่อวานนี้แปดศูนย์แปดอ่า อันนี้สายไปแล้วออกแล้วมั้งตอนนี้แทงไม่ทันแล้วเจ็ดสามศูนย์เนี่ยเจ็ดสามศูนย์แปดศูนย์แปดอ้าก็ถ้ามีคําถามก็เชิญถามได้เลยคําถามจากคุณฉลอง ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับบ้านของผมหันหน้าไปทางทิศตะวันตกผมควรจะตั้งหิ้งพระหันหน้าไปทางทิศไหนดีครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวทิศที่มันสะดวกทิศไหนสะดวกก็หันไปทางนั้นอ่าทไหนเหมาะสมก็พิจารณาไม่ต้องไปดูทิศถ้ามันหันไปทางที่มันไม่เหมาะสมก็อย่าหันไปหันไปห้องซ่วมนี้อาจจอย่าหันไป แต่หันก็ได้ไม่เสียหายตรงไหนถ้าเราไม่ถือเสอย่างห้องส้วมก็เรียงห้องสุ ข, ขาอยู่ห้องแห่งความสุขนะ <c oughs> <c oughs> ยังไงมันหันไปที่ไหนก็ได้หรอกอันนี้เป็นเพลงความเชื่อคือเขาเชื่อให้หันไปทางทิศตะวันตกเพราะพระตจ้ า, าอยู่ประเทศอินเดียไง <c oughs> อินเดียอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทยก็ให้หันไป ให้ตั้งพระพุทธรูปไปทางด้านทิศตะวันตกเพื่อที่เวลาเรากาบเราจะได้เหมือนกาบพระพุทธเจ้าที่อยู่ประเทศอินเดียถ้าไปตั้งทางทิศตะวันออกมันก็ไม่ได้ไปกาบไปหันหลังให้กับพระพุทธเจ้าที่อยู่ประเทศอินเดียเราก็เลยไปตั้งพระพุทธรูปไว้ที่ด้านทิศตะวันตกของแล้วเวลาเรากาบเราจะได้กาบไปทางทิศตะวันตกนนเหมือนกับเราได้กาบพระพุทธเจ้า พราะในสามัยพุทธกาลนี่พระสารีบุตรนี่เคารพพระพุทธเจ้ามาเวลาไปอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้าจะสังเกตดูว่าพระพุทธเจ้าตอนนี้อยู่ทิศไหนแล้วก็จะกาบไปที่ทิศนั้นถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ทิศเหนือของที่เขาอยู่เขาก็จะกาบไปที่ทิศเหนือพอพระพุทธเจ้าไปอยู่ทิศตะวันออกเขาก็จะหันกาบไปกาบที่ทิศตะวันออก เหมือนกับพระในที่เนี่ยเวลาอยู่ในวัดบางทีแล้วเวลาจะกราบบางทีแล้วก็นึกถึงพระที่ศาลาพระประธานที่ศาลาเวลาจะกราบพระเราก็จะหันหน้ากราบไปทางทิศ ท, ที่ที่พระพุทธรูปตั้งอยู่ในศาลาหรือครูบาอ า, าจารย์กุฏิครูบาอาจารย์อยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงไหนเราก็จะหันหน้ากราบไปทางกุฏิของครูบาอาจารย์อันนี้คือหลักของการกราบการตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรา กาบในจุดที่ท่านประทับอยู่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่อินเดียเราก็ต้องกาบไปทางทิศตะวันตกไม่ใช่กาบไปทางทิศเหนือทิศใต้ก็ไม่ได้กาบพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราไปอยู่อเมริกาอย่างนี้ออินเดียมันอยู่ทางทิศตะวันออกเสียแล้วเนี่ยก็ต้องกาบมาทางทิศตะวันออกถึงจะมากาบพระพุทธเจ้าได้ ยันเราต้องดูที่อยู่ของเรากับที่บุคคลที่เราต้องการกราบว่าท่านอยู่ที่ตรงไหนเราก็กราบไปที่ที่ที่ท่านอยู่คำถาม <c oughs> จากผู้ไม่ประสงค์ <c oughs> ออกนามีสองคำถามค่ะข้อแรกได้รับการประชดประชันจากคุณแม่อยู่บ่อยๆจากการที่เราได้ทำทาน <c oughs> ฟังธรรมหรือไปปฏิบัติธรรมข้อสองชักชวนให้คุณแม่ทำทานฟังธรรมแต่ท่านไม่สนใจเลยควรจะวางใจอย่างไรคะ ก็เป็นเรื่องของท่านไง น, น, น า, นาจิตตังคนชอบกินกว๋วยเตี๋ยวกับคนที่ชอบกินข้าวผัดนี่เหมือนจะให้กินเหมือนกันไม่ได้เราชอบกินข้าวผัดเราก็กินข้าผัดไปเขาชอบกินกว๋วยเตี๋ยวก็ให้เขากินกว๋วยเตี๋ยว ก, ก็เท่านั้นเอง เรามันไปอยากเองไปอยากให้เขามากินข้าวผัดกับเรา <c oughs> เขาก็ไม่เอาเขาก็ปรชดประชันเราเลยโอ้ยกินข้าวผัดอร่อยอย่างงาุ้นอร่อยอย่างนี้แต่ความจริงเขาอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวเอก็ปล่อยเขากินก๋วยเตี๋ยวไปคนไม่ชอบทำบุญทําทานเขาก็จะไม่ทําต่อให้เราชวนยังไงเขาก็ไม่ทำเอเ่างนั้นเมื่อเราชวนแล้วเราก็หมดหน้าที่ของเราแล้วก็แล้วกันเมื่อเขาไม่ยินดีด้วยก็ช่วยไม่ได้ คำถามจากคุณกัญญากรคำว่ามรุโสดาบันหมายถึงอะไรคะแล้วถ้าคนที่เขาได้บรรลุโสดาบันแล้วมีอาการหึงหวงทําตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคอยตามจุกจิกตลอดเวลาเขาได้บรรลุเป็นโสดาบันจริงหรือไม่เจ้าคะคงจะไม่จริงมั้งเพราโสดาบันนี้แม้แต่ชีวิตยังไม่หึงไม่หวงเลยเราจะไปหึงหวงอะไร ธรรมด า, าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นตัวเราเราจะไปห่วงมันได้ยังไงคำถามจากคุณสิรินโยมฝึกเจริญสติทั้งวันใช้พุโทโธดึงกับความฟุ้งซ่านเวลาจิตหนีไปคิดชักเยอะแบบนี้ทั้งวันวันไหนมากจะรู้สึกอึดอัดกับการบังคับใจแต่ก็ทำต่ออย่างสม่าเสมอยมทาถูกไหมคะถูกแต่น้อยไปหน่อยสติไม่ต่อเนื่อง ถ้าทำถูกแล้วสติต้ตองจะมีมากขึ้นมากขึ้นแล้วการควบคุมมันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นไปตามลำดับนะคําำถามข้อที่สองการใช้เสียงเพลงบรรเลงขณะนั่งสมาธิสามารถทำได้ไหมคะถ้าใช้แล้วสามารถเข้าสู่ความสงบได้ไม่ควรหรอกเพราะว่าเสียงเพลงนี่มันมันเป็นของภายนอกถ้าเราไปอยู่ที่ไม่มีเสียงเพลงเราก็จะนั่งสมาธิไม่ได้ อย่าไปใช้ของภายนอกให้ใช้ของภายในดีกว่าให้ใช้คําบริกรรมพุทธโธหรือสวดมนต์ไปดีกว่าจะใช้ได้ตลอดเวลาไม่ต้องชาร์จแบตไม่ต้องคอยห่วงแบตเตอรี่ถ้าใช้เครื่องฟังเดี๋ยวเครื่องฟังแบตหมดก็นั่งสมาธิไม่ได้เพราะไม่มีเสียงเพลงกล่องเอาเอาของภายในดีกว่า คำถามจากคุณป๊อตธรรมฉนัยการทำที่สุดแห่งทุกจะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ครับก็ทำจนมันเกิดนะล่ะถ้ามันยังไม่เกิดก็ต้องทำให้มันเกิดถ้ายังไม่มีสุตตมยะปัญญาก็ต้องไปสร้างสุตตมยะปัญญาถ้ามีสุตตมยะปัญญายังไม่มีจินตามยะปัญญาก็ต้องพัฒนาให้มันเป็นจินตามยะปัญญาถ้ามีจินตายังไม่มีภาวนามยะปัญญาก็ต้องไป ปฏิบัติสมถภ า, าวนาออพอได้สมถภ า, าวนาได้จินตามายะปัญญามันก็จะกลายเป็นภาวนาไมยะปัญญาขึ้มนมามันก็จะทําให้เปรีเสงี่ยที่สุดแห่งความทุกข์ได้คําถามจากคุณวันวิพานั่งสมาธิเข้าถึงความสงบแล้วได้กลิ่นหอมจิตมีกลิ่นหอมไหมคะก็เป็นกลิ่นทิพย์ไงจิตตัวจิตไม่มีแล้ว แต่ในจิตนี้มีรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์พอเวลานั่งสมาธินี้จิตเข้ากลับเข้าสู่โลกทิพย์ตอนนี้จิตมาทางโลกทางร่างกายเรียกโลกกระธาสมามาสัมผัสกับรูปเสียงกดลิ่นรสทางตาหูจมูกนิ้นกายพอ nang สัมมาธิจิตจะดึงกระแสออกจากตาหูจมูกนิ้นกายกลับเข้าไปในโลกทิพย์เพื่อไปสัมผัสกับรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์นั่นเอง คำถามจากคุณลดาภามีสองข้อค่ะข้อแรกเราจะพิจารณาการทํางานการประกอบกิจการกับการวางเฉยเฉยและภาวนาเมยปัญญาได้อย่างไรก็เมื่อต้องทําก็ทําให้ดีที่สุดส่วนผลจะได้มากได้น้อยก็ปล่อยให้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปไม่มีใครไปกําหนดได้ว่าทำแล้วจะต้องกําไรเท่านั้นเท่านี้ขายแล้วจะต้องขายได้เท่านั้นเท่านี้ ก็ทำไปให้ดีที่สุดส่วนผลจะได้มากหรือได้น้อยก็ทำใจป็นูเบคาไปก็จะไม่ทุกข์ให้เป็นอูเบคากับผลแต่ให้มีความเพียรพยายามที่เหตุทำให้ดีที่สุดไม่ใช่ไปมีอุเบคาที่เหตุถ้ามีเบวเบคาเหตุก็ไม่ต้องไปหวังผลเพราะมันจะได้ศูนย์เลยถ้าอุเบคาไม่ขายไม่ซื้อนั่งเฉย มือนก็ไม่มีผลกําไรไม่มีผลขาดทุนนะข้อสุดท้ายการบวชีพามให้คุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเราะระลึกถึงท่านท่านจะได้รับกุศล น, นี้หรือไม่คะการบวชนี้บุญมันยังมันได้น้อยมากเหมือนเพิ่งเหมือนกับกําลังปลูกต้นไม้อยู่ยังไม่มีดอกผลจากต้นไม้ถ้าอยากจะเอาผลนี่เอาผลจากการทําทานเดียวกันทำทานนี้เป็นเหมือนฟาสต์ฟู้ด ไปที่แม็กปับ๊บจ่ายเงินปั๊บก็ได้ผลมาเลยได้อาหารมาเลยส่งอาหารนี้ไปให้แม่ได้เลยฉะนั้นขาไม่นิยมที่จะอุทิศบุญด้วยการฝึกสมาธิด้วยการไหว้พระสวดมนต์ด้วยการบวชอะไรพวกนี้เพราะมันยังไม่มีผลยังไม่ได้เป็นโสดาบันยังไม่ได้เป็นอนาคามียังไม่ได้เป็นอหรหันต์ให้ถ้าอยากจะเอาผลส่งให้คนตายนี้เอาผลจากการทําทานดีกว่า ได้ง่ายได้รวดเร็วทันใจไปใส่บาทปุ๊บก็มีผลเกิดขึ้นเพราะเวลาใส่บาทแล้วมันเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมานี่แหละคือสิ่งที่เราจะส่งไปคือความอิ่มใจสุขใจสำหรับใจที่หิวโหยพอได้ความอิ่มใจมันก็หายหิว คำถามจากคุณพิทักษ์เรื่องการให้ทานหากมีบุคคลมาขอเรียไรบุญโดยบอกว่าจะนำเงินที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ตกทุกข์ได้ยากเราให้ทานไปด้วยเจตนาที่จะช่วยเหลือตามที่เขาต้องการแต่หากเขานำเงินที่ได้ไปใช้ในทางที่ไม่ชอบเช่นเช่นนี้เราจะถือว่าเราให้การสนับสนุนเงินแก่เขาที่เอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไหมครับถ้าเรารู้เราก็อย่าไปให้สิถ้าเราไม่รู้ก็แล้วไป เราทำไปด้วยใจที่บริสุทธิ์แต่ถ้ามารู้ภายหลังเขาหน้าก็ไม่ต้องไปสนับสนุนเขาคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเวลาที่เราจะทำบุญอะไรก็ตามแล้วเรามองที่อ น, นิสงส์ว่าทำบุญแล้วได้แบบนั้นแบบนี้แล้วจึงทำการทำแบบนี้แล้วจะได้บุญใหม่คะก็แล้วแต่ว่าเราต้องการผลอะไรก็ต้องมีการพิจารณา ถ้าเราทําบุญเพื่อความอิ่มใจสุขใจเราก็เลือกทําบุญที่ทําให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจเราก็ได้เหมือนกับการที่เราไปซื้อของเราก็ต้องเลือกซื้อของที่เราอยากจะซื้อเราอยากจะซื้อเสื้อผ้าเราก็ไปซื้อเลือกซื้อเื้อผ้าอยากจะซื้อรองเท้าก็ไปซื้อรองเท้าไม่ใช่อยากได้รองเท้าเราไปซื้อเสื้อผ้ามันก็ไม่ได้รองเท้าอันนี้ก็เหมือนกันบุญก็มีหลาย หลายประเภทด้วยกันต้องการบุญแบบไหนเราก็เลือกได้บุญที่อยากการทำทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมบุญที่เกิดจากการให้ธรรมทานมันก็เป็นบุญต่างๆที่เราสามารถเลือกเลือกทำได้คำถามจากคุณดุจเทวาถ้าเราใจร้อนจะแก้ไขยอย่างไรดีครับ ก็ใส่น้ําแข็งก็ไปเลยน้ําแข็งก็คือพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธพุทโธท่องไปเดี๋ยวมันก็เย็นนะบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเหมือนกับเอาก้อนน้าแข็งใส่ไปในใจใจกําลังเดือดพูดปาดพูดปาดกําลังโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้อยู่ลองพุทโธไปสักพักเดี๋ยวอารมณ์ต่างๆก็สงบตัวลงใจก็เย็นลงขึ้นมาทันที แต่ต้องเตรียมน้ำแข็งไว้ก่อนนะถ้าไม่เตรียมไว้ก่อนเวลาจะมันร้อนไม่มีน้ำแข็งใส่นะถ้าไม่ฝึกพุทโธไว้ก่อนเวลาใจร้อนมันพุทโธไม่ออกนะยังต้องหัดพุทโธไว้ก่อนเตรียมน้ำแข็งไว้ก่อนพอถึงเวลารู้ว่าใจร้อนแล้วนี่ก็เอาน้ำแข็งใส่ไปได้เลยถ้าไม่มีน้ำแข็งไม่เคยหัดพุทโธมาก่อนพุทโธไม่ออกเวลาโกรธเกลียดใครจะคิดแต่จะฆ่าเขาด่าเขาทั้งนี้จะพุทโธไม่ออก ต้องหัดพุดโทโธไว้ก่อนถ้าไม่หัดไว้เดี๋ยวถึงเวลาไม่มีพุโทโธมาคําถามจากคุณจินตนาถ้าเรานั่งสมาธิฟังธรรมแล้วเราสามารถอุทิศวกุศลได้ผลไหมคะก็ถึงบอกแล้วมันยังไม่ได้เป็นบุญกินกุศลจแบบที่อุทิศได้มันเป็นบุญที่กําลังสร้างขึ้นอยู่ยังไม่ได้เป็นบุญที่จะไปแจกคนอื่นได้เอาบุญที่แจกคนอื่นได้ด้วยการทําทานน อยากอยา ก, อยากจะอุทิศบุญไปทาบุญทำทานกันเถิดอยากเสียดายเงินทองเลยพวกนี้ชอบทำบุญแบบไม่เสียเงินชอบมันมันบุญคนละอย่างกันบุญยังไม่เกิดกาลังกำลังสร้างบุญอยู่เหมือนกับกำลังปลูกต้นไม้อยู่มันยังไม่โตมันยังไม่ออกดอกออกผลไปซื้อผลไม้ที่ขายในตลาดดีวกว่าจะได้เอาไปทําบุญได้เลย คำถามสักคุณพิธาบอว่าเพราะเหตุใดพระอาจารย์จึงไม่รับกิจนิมนต์ใดๆขี้เกียจเนอะเวลาไปรับกิจนิมนต์นี่เขาเป็นเจ้านายเราเขาสั่งเราไปนั่งตรงนั้นสั่งให้เราไปดั่งนี้นี้ต้องไปกินเวลานั้นเวลานี้ไปกินที่นั่นที่นี่ต้องไปสวนให้เขาก่อนถึงจะได้กินอันนี้ใบบินตาเสร็จกลับมากินได้เลย เลือกที่กินของเราได้เลือกเวลากินของเราได้้ารับกินนิมนต์นี้ต้องรอให้เขามารับเดี๋ยววันดีคืนดีเกิดเขาลืมขึ้นมาเขาช่วยอดกินเลยอามีบางทีเคยนิมนต์แล้วลืมก็มีพากก็นั่งรออยู่นั่นอนะ่ะ <laughs> เคยผ่านมาแล้วเลยไม่เอาดีกว่าอพอขอรับกินนิมนต์ปั๊บนี้เป็นขี้ข้าเขาทันทีถูกล็อกไว้แล้ววันนี้ไปไหนไม่ได้น ะ, ะไปกินที่นู้นที่นี่ไม่ได้น ะ, ะเขา ้เดี๋ยวเกิดเขาเดิมก็เสียเวลาไปเสียโอกาสไปอีกเห็นยุ่งยากบางทีก็มาไกลนูล่นกรุงเทพนิมนต์ไปกว่าจะได้กินนั่งนั่งรถไปเหนื่อยกว่าจะกินกินเสร็จกลับมานั่งรถกลับมาก็หายไปหมดแล้วเวลาพักผ่อนก็ไม่มีตลอดไปตลอดมา็เไรไม่เอาดีกว่าเอาเวลามาทำทาสิ่งที่มีคนมีประโยชน์ดีกว่า เอาเวลามาสอนธรรมะเอาเวลามาพักผ่อนเอาแรงจะได้มีกำลังมาพูดมาสอนได้ทุกวันเนี่ยแล้วทุกคนมั่นใจว่าถึงเวลามาแล้วจะเจอถ้าไปเจอผ้าที่รับกิจนิมนต์เนี่ยไม่รู้หรอกว่าวันนี้อยู่วันหรือเปล่าถ้าจะไปนี่ต้องโทรเช็ค ก, กันวุ่นก่อนเฮ้ยหลวงพ่ออยู่หรือเปล่า คำถามจากคุณยิ่งพัน mm hmm. การวางอุเบกขาในเรื่องต่างๆมีวิธีฝึกอย่างไรบ้างครับก็ฝึกสมาธิน่ะถึงจะเป็นอุเบกขาจริงไม่เช่นั้นก็แบบเฉยเมยเฉยเมยไม่ใช่อุเบกขาเฉยเมยแบบเฉยแต่ใจกลุ้นขึ้นมาใจยุ่ใจยุ่ขึ้นมาอยู่ในใจต้องฝึกสมาธิให้จิตสงบแล้วมันจะเป็นอุเบกขาขึ้นมาโดยธรรมชาติยมมีคําถามหรือเปล่า S <S เดี๋ยวเดี๋ยวมาขึ้นมาหน่อยนี่มาเอาไม้หน่อยจะเสียงดังๆส่งไม้ไปให้คุณโยมหน่อย<า>พูดใกล้ปากหน่อยทานที่เราจะทํานี่นะค ะ, ะทํากับพระหรือทํากับคนหรือว่าสัตว์เดรัจฉานก็ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็อุทิศส่งกุศลให้บิดามารดาอย่างนั้นน่าจะถึงไหมคะถึงถึงถ้ามันมีก็ถึง่ง อ๋อคือไม่เลือกว่าพระก็ได้คนก็ได้สัตว์เนี่ยแหละอ๋อเลือกพระก่อนถ้าพระไม่มีกินก็ทํากับพระก่อนทําระเราต้องสนับสนุนวัดก่อนแต่ถ้าวัดพอมีกินแล้วก็ไปทํากับคนอื่นได้แต่เราก็ทําหมดเลยพระก็ทําคนก็ทำสัตว์ก็ทําอย่างนี้ก็ได้ก็เป็นบุญเหมือนกันเป็นความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันถ้าพระพอกินแล้วก็ไปทํากับหมากับแมวก็ได้เยทําแบบคนยากไร้ก็ได้ แต่ถ้าพระยังอดอยากขาดแคลนอยู่ก็ต้องทำกับพระก่อนเดี๋ยวไม่มีพระมาบวชไม่ใช่อะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวไม่มีพระมาเรียนมาสอนเรา <c oughs> เราก็ <c oughs> ต้องดูแลพระก่อนดูแ ล, แลวัดก่อนเจ้าค่ะกจยัง <c oughs> กระจแล้วค่ะแล้วก็มีอีกที่คล้องใจอยู่นะคะคือบทสวดมนต์อ่ะมันมีบวชสดที่ ลงท้ายด้วยลาพังอ่ะคำว่าพังนี่ในความรู้สึกมันจะพังหรือยังไงแต่เราเปลี่ยนเป็นลาโพได้ไหมคะคือมันเป็นไวยากรณ์ในภาษาเขาสังคังคุทธังมันก็เป็นไวยากรณ์สวดทิพา์ายังสุขคือมีศัพพน า, ามมีมีอะไรที่<อ>เขาใช้มันไม่เหมือนกัน แต่ก็สวดไปตามที่เขาบัญญัติไว้เนี่ยคือพังแต่มัน th ไม่ใช่มาพังในชีวิตเราอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่พังหรอกเป็นภาษาภาษาแขกมันเรามาแปลเป็นภาษาไทยเองอลาพังอย่างเงี้ยลาพังก็โรคลาบเนี่ยลาพังลาลาพังก um> ็มีโรคมากๆมีลาบมากๆลาพังมันเป็นไวยากรณ์ลาพังลาพระลาโพแล้วแต่ว่าใช้ในลักษณะไหนของภาษา แต่ความหมายก็คือแปลว่าลาบอลโลคยาปรามาราพาอันนี้เป็นพาการไม่มีโรคเป็นลาบมันประเสริฐเนี่ยมันเป็นภาษาแขกเรามาแปลเป็นภาษามาใช้กับภาษาไทยามันก็ยุ่ง่าสินะน่าจะตอไป คำถามจากคุณกุหลาบถ้าเรานุ่งขาวห่วมขาวสวดมนต์อยู่ที่บ้านอย่างนี้ได้ไหมคะจะได้บุญไหมคะ อ, อ๋อมันไม่ได้อยู่ที่ขาวหรือไม่ขาวแล้วนุ่ง อ, อะไรก็ได้บุญได้จากการสวดคือสวดแบบมีสติให้เกิดผลถ้ายังไม่เกิดผลก็ยังไม่ได้บุญจะเกิดผลจิตต้องสงบจากการสวดเนี่ซึ่งน้อยที่จะโอกาสที่จะสงบได้จากการสวดมัน ทำให้เบาลงได้ทําให้ความคิดฟุ้งซ่านต่างๆเบาบางลงได้แต่อย่าให้มันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่เรียกว่าความสงบนี้มันยังเป็นไปได้ยากอยู่แต่พยายามต้องทําอย่างนี้ไปก่อนสวดไปก่อนแล้วถึงมานั่งสมาธิต่อมาดูลมมาพุโทโธต่อแล้วถึงจะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ต่อไป คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหากเรากับพ่อแม่เวลาคุยกันแล้วชอบทะเลาะ ก, กันอยู่เสมอกรณีเช่นนี้ถ้าระวังอุเบกขากับพ่อแม่เราโดยการไม่ค่อยพูดกับพ่อแม่เราเพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะ ก, กันทําเช่นนี้จะบาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอกถ้าจำเป็นต้องพูกก็ต้องพูดไม่ใช่ไปถึงเวลาต้องพูดกับไม่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้แต่เร ก็ต้องเจอกันก็ยังต้องทักทายกันตามธรรมดาแม่จ๋แม่สบายดีหรือเปล่าแม่อยากจะให้หนูทําอะไรพวกนี้ก็พูดได้แต่พอพูดอะไรกันแล้วเริ่มทะเลาะกันก็หยุดพูดไปเท่านั้นเองคำถามจากคุณจินครอบกับเรียนถามว่าเจตสิก ค, คืออะไรครับอันนี้เป็นอภิธรรมเราก็ไม่ได้เรียนต้องลองไปถาม g o o g l e เดูเจตสิกแปลว่าอะไร